ทิดหมอวิจัยพุ่มเด็กกาลวันพองนั่งอยางนี้มองมาเราลอนแล้วแต่เป็นคนตั้งใจมีปัญญามีสติเข้ามาวัดปฏิวัติตามกันเมื่อกี้พากว่เรื่องเมตตาเราคงจะได้สัมผัสกันอยู่ ความเมตตามันก็มีพลังจริงๆเหมือนกันพลังความเมตตาหลายสิ่งหลายอย่างในธรรมชาติก็มีความเมตตาต่อเราเรามีความเมตตาต่อเขาอันนี้พูดไม่ได้ให้คิด แต่เมื่อปฏิบัติทำแล้วเราก็จะเห็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มีพลังด้วยในน้ำก็มีในต้นไม้ในสายลมแสงแดดสสารสรสารสิ่งแม้แต่ในตัวเราก็ตามแล้วมีผลกระทบกันด้วยเรื่องส่ายือเมตามเป็นา้านณะของเจโตมิมุตเพราการ ตัดจรูมันจะต้องเป็นปัญญาวิมุตต์ต้องเปลี่ยนสาัาวะยกขึ้นไปเป็นริปัสนารู้แล้วเห็นพลังของเมตตาเนี่ยน้ำใจน้ำคำน้ำใจของเรามันมีความเมตตามีพลังออกเป็นน้ำคำน้ำลาย เราได้ใช้เป็นพลังกระทบกระเทือนน้ำสัพสัดสัสิ่งสืบ ต, ต, ต่อต่อต่อกันไปไม่ประมาณเลยแหละ <_ C 1> พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์พลังพวกนี้ใครที่มีความดีมีเมตตาถ้ามีพระธาตุมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รองสังเกตดดงมันงอกงามพิสูจน์มาหลายคนแล้วก็เห็นมกักตาลวะวงนี้ ไม่ถือว่าแปลกอะไรเรื่องธรรมดาธรรมดาตองงานของธาจศักดิ์สิทธิ์มันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งพลังความรู้พลังของพุทธธรรมสังฆะมีอยู่ตลอดพลังเมตตามีการพิสูจน์กันที่เนือวัดป่าสซโตในเมืองไทย เคยดูไหมญี่ปุ่นก็เอาน้ำไปแช่แข็งประเทศไทยเอาจากที่สุขปโตเนี่ยไปส่องด้วยกล้องจุลทัรศน์น้ำดิ่มฟังเสียงสวดมนต์ทุกวันวันมีพลังนะพันน้ำมนต์นี่มีพลังนะน้ำมนต์โดยเพราะพระเกจิต่างๆที่ตานปฏิบัติดีปฏิชอบนมีพลังทีเดียวไหลกลคนก็ ยึดถือเอาสิ่งหลังนั้นเป็นที่พึ่งสองได้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยปรากฏว่าเป็นประกายแหวนเพชรเป็นแฉกเป็นแฉกเป็นแฉกเป็นแจก ป, ประกายของแหวนเพชรนะนะน้ำที่บริสุทธิ์น้ําปุ๊น้ําจากลํำพันธที่มีธรรมชาติป่าเขาลําเนาวไพ่มากอกงพลังแบบนี้แหละแบลว่าว ดูแล้วเื่นตาเื่นใจดีน้ำที่มีคำดา่าคำเขียนที่มันเป็นเรื่องของอากุศลระจิตใส่ลงไปมาจาทุ ก, กริตเพิร์คเจอคำหยาบส่อเสียดโกหกคนนี้เขียนไปเลยน้ำก็รับรู้พลังเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นเวลาพูดเนมันออก มาจาก จ, จิตจากใจของเราแล้วก็ทบทวนเราก่อนพูดดีพูดไม่ดีมันเกิดที่เราก่อนราศีลักษณะผิวหนังใบหน้ามันก็พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เพราะนั้นพลังของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพลังของสติศีนสมาธิปัญญาพวกนะั้ มันก็จะเป็นพลังที่เราก็สามารถที่จะมีแล้วก็จเจริญ ง, งอกงามในตัวเราได้ทั้งหมดนั่นแหละเราก็เลือกได้ชอบอยังไงเราก็ทำอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลของการกระทำเรานั้นด้วยเหมือนกันทำดีก็ดีทาชั่วก็ชั่ว ปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานจิตมันก็หลุดพ้นเรียก ว, ว่าละชั่วทำดีชำระจิตมันเป็นหลักการนะเป็นอุดมการของพวกชาวพุทธทั้งหลายสภาวะของความรู้สึกตัวมีพร้อมแล้วมันเป็นวิปัสสนาทุระวันนี้เรารู้สึกตัวได้มากหรือว่าหลงตัวมากกว่ากันวันเนี้ยได้แรมากกว่าการละ่างเหตุและงอกกับความรู้สึกตัวเนี่ย คำนวนดูความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นในเยบทต่างๆการเคลื่อนการไหวของกายกายเคลื่อนไหวใจรู้มันมีอยู่ตลอดเว ล, เวลาเลยเพียงแห่เรากลับมาหาตัวเองหน่อยกลับมากลับมากลับมาความคิดมันเป็นนามธรรมที่ว่องไวแล้วก็มีความเคยชิน มินิใสอุบัติใสต่างๆการที่หลงเพล่กระในความคิดง่ายมากแต่ก็ไม่มีความรู้สึกตัวหรือว่าไม่รู้จักความรู้สึกตัวสติมันมีอยู่แล้วทําไม่เจริญไม่ว่องไวมันระลึก ร, ร, รู้ความรู้สึกตัวแม้กระทั่งหยับหยามก็ยากนีละตรงนี้เราจึงตั้งตั้งใจกัน เรียวการเก็บอารมณ์เข้ม40วันที่ว่าจะมีอีกสองวันเนี่ยนะวันที่20ก็ได้เห็นว่าทําไมต้อง40วันเพราะ40วันนมันคาดหวังได้ถึงอารมณ์รูปนามที่มันจะปรากฏออกมาชัดๆประชุมในสายงานแล้วะสายงานเห็นว่าจํานวนตัวเลข40วันนั้นพอดีมันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปที่จะมาร่วมกันพิสูจน์ าจะาคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะพอเคลื่อนไหวรู้สึกตัว mm hmm. เดินจนกลมจนกระทั่งมันสังเกตอะไรได้แต่ต้องทําให้ถูกให้ต้องนะ mm hmm. ไม่ใช่ทําตามใจตัวเอง mm hmm. อยากนั่งก็นั่งอยากเดินก็เดินอยากยืนก็ยืนอยากนอนก็นอน mm hmm. อยากพูดก็พูดอยากคุยก็คุย mm hmm. อันนั้นมีหวังหรอก mm hmm. บอกเลยยัง ไ, ไงกไม็มีหวัง mm hmm. ต่อไปร้อยวันพันวันเย่ย ความถูกต้องและต่อเนื่องเนี่ยมันต้องมีผลจริงๆถ้าเราทำด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วก็สังเกตเพราะอะไรก็พิสูจน์ได้อย่างเจนว่าน้ำเราต้มร้อยวันวันละหนึ่งนาทียังไงมันก็ไม่เดือดหรอกที่เหลือทั้งหลายชั่วโมงหลายนาทีเราไปทำอะไรทำไมไม่ใส่ใจใส่ไฟลงไปให้มันพอดีแล้วก็ จะได้เดือดเดือดทำประโยชน์ได้ค่าเชือชเช้อโรคเชื้อโรคก็ตายต้มไข่ต้มใส่ไข่ก็สุกหุงข้าวหุงข้าวก็สุกจะทำอะไรก็ได้กับการที่เราต้มบันเดียวแต่ว่าต้มหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มทำไมมันจะไม่เดือดบอกถึงการสนใจใส่ใจนะเพราะว่ามีความรอบคอบ ดูแงอุปกรณ์เครื่องมือที่เราใช้สอยวิธีการกระทามีความรู้มีเทคนิคมีความชำนาญมันก็ได้ประโยชน์ได้ผลจากการกระทาฉันใดก็ดี ก, ดกรรมฐานการที่เราทำมาหนึ่งปี2ปีสามปยียังมีผลแล้วแหละ มไม่นานหรอกพระหลวงพุทธเถียนก็ท้าไว้ชัดๆเลยว่าการเคลื่อนกันกไหวเนี่ยยังถูกต้องนะพลิกมือยกขึ้นมามาวางที่สะดือยังถูกต้องอย่างนานไมเกินสามปียังไงก็ไปจนเกินสามปีของพ่ออมเกียรตินั่นก็บอกว่าอลองทําลงไปนะการเคลื่อนมือการเดินโยงโกงมเนี่ยทำลงไปนะอาจารย์ทรงศิล บื่แล้วเนี่ยไปอยู่สุกโตนุ่นราบวัที่น่นนะภูเขาทองนะสวายนั้นยังไม่มีบวถหรอกไปอาศัยบวชอยู่ที่วัดเจ้าคณะตำบลเสร็จแล้วบวดเสร็จก็สามวันก็อไปอยู่สุกโตเถอะเจริญสตินะเจริญสติเราก็เชื่อหลังจากที่เราฟังไม่จะไม่เชื่อ ก็เราตั้งใจอยู่แล้วมาบวชจะมาปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยด้วยวัดอื่นๆเยอะแยะไปทำไมต้องมาอยู่ที่นี่สมัยก่อนลำบากกว่านี้เยอะนะนึกถึงภาพสมัยก่อนแล้วไม่ได้มีความสบายเลยเลยพลายอยู่ข้างในนะไฟฟ้าก็มีห้องน้ำก็มีนะมีแค่กุดเล็กๆ น, นอนต้องนอนท่ ย, ยงเดี๋ยวนี้ก็ปรับปรุงฟ้างขวางสะดวกมีห้องน้ามีที่เดินจงกลม แถมน้ำดื่มนะหรือว่าอาหารก็พร้อมลงครัวเรลเบล่าเลยก็เจอว่าส่วนใหญ่บินรบาดก็ไม่ได้ฉันในบาทกันหรอกที่เราบินรบาดไหมส่วนใหญ่ก็ตักของลงครัวนั่นแหละสมัยก่อนไม่มีเบนยังไงก็ต้องฉันกันอย่างนั้นได้อะไรก็ต้องมาแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งกันทั้งพระทั้งชีทั้งโยม น, น้อยแต่ว่าได้ผลดีอยู่ทุกๆุกอะดี <S <S อยู่แล้วลําบากลําบากอะดี <S 1> <S 1> มันดีอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้ามีสติมีปัญญาดีอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปเถอะไม่ว่ากันอยู่ลําไม่ทุกแต่ถ้ายังทุกอยู่ก็อย่าประมาททีเดียวนะพยายามให้คุ้นข้าให้ราคาการปฏิบัติให้มากที่สุดนโดยเพราะการเดินจงกรมกัรนั่งสร้างแหวนะอย่าทิ้ง ทำจนมันได้คำตอบในตัวเรานะรูปแบบการปฏิบัตินี้สำคัญนะการยกมือสิสิกว่าการเดินจงกรมเนี่ยเคาใจนะจะรู้เลยว่าทำไมแต่ว่าอธิบายยังไงก็ไม่รู้หรอกสําหรับคนที่ยังไม่เห็นทุกขนะ์และยังไมนะ่เหมือนกับว่าพยายามสร้างเหตุสร้างเหตุให้มันเห็นความทุกข์ชัดๆแล้วว่าเห็นเหตุแห่งทุกข์ก้าวลงออกจากความทุกข์ได้นะ เราก็เริ่มต้นกันด้วยที่กายมาวัดวาอารามเลือกวัดวัดป่าสุกโตนี่นะล้วก็เลือกที่จะอยู่ตรงที่มันสะดวกสะดวกกับตัวเองนะอะไรอะไรก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่เราไม่ได้ขนไกวให้มากเอาไว้เมืองต้นอย่างที่นี่ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์สมใจนะเชิญวานอาณินยะขอภัยที่ต้องกระทบนิดหนึ่งนะที่มาอยู่ ก็ได้เหตุที่ว่ากับผมและอาตมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าผมและอาตมาเนี่ยเขาลบในคนที่มีบุญคุณคนหนึ่งกระตันยูตอบถ้าไม่ได้ขนวา่ที่อยู่กุตีดีๆแต่เราเห็นโดยลักษณะของจิตส่วนตัวด้วยนะที่มันเห็นว่าหนึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทียนมาสอง ท่านเองเนี่ยทำงานรู้ราตีนานก็นนว่ารู้ราตีนานเนี่ยหมายถึงผ่านร้อนผ่านหนาวมาโชคชนสาม <c oughs> เป็นคนที่มีมร่สสัมพันธ์ต่อลูกศิษย์ลูกหามากเหลือเกินลูกศิษย์ตนวใหญ่เนี่ยมีความรักแล้วก็รบ่าน <c oughs> <c oughs> สี่ <c oughs> เมื่อบวชเนี่ยตั้งใจจะทำปิพันธ์นให้แจ้ง แล้วห้าคือเหตุปัจจัยของหมอคงศักดิ์ที่ต้องการสร้างกุติโดยให้กระผมอรัตมาบอกว่าแล้วแต่ท่านอาจารย์เห็นสมควรอย่างไรโดยความเคารพอาจารย์ทําเถอะก็เลยบอกว่าหมอพอดีเลยมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งอรัตมาต้องการที่จะกระตันยูตอบท่า น, นพูดอย่างนี้เลยนะ ท่านมีความสําคัญต่อชีวิตธรรมาถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีธรรมาเราไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าหลวงพ่อเทียนสอนอะไรแล้วก็หลวงพ่อมเขียนเนี่ยสอนอะไรเพราะว่าพระอีกมากมายเหลือเกินที่ท่านก็สอนธรรมะเหมือนกันเรากันอยู่ที่จังหว่าเชียงใหม่เนี่ยพระครูบาอาจารย์มากมายเหลือเกินไปไปมามันเป็นเบทีอยู่ตรงนั้นด้วยมีสายหลวงปู่มั่นก็มีหลวงปู่ชาก็มี สายหลายสายนะในประเทศไทยที่ไปลงกันอยู่แถวๆนั้นแต่ด้วยความที่ติดใจนะติดใจถึงคาสอนหลวงพ่อเขียนว่าความรู้สึกตัวอย่างเดียวพาไปถึงนิพพานนะคำท้าทายนะมันมีความหมายมากนะเพราะเราเองก็คงเหมือนกันนะมีสุขจากการที่สวยวัตถุกรรมคุณต้องการเรียนถุงสูงต้องการทำงานดีๆเงินเยอะๆนะ ต้องการที่มีครอบครัวที่มั่นคงต้องการที่จะทําอะไรก็ได้แล้วก็ได้หลังใจด้วยเรียกว่าสุขสมอยา่างแต่แล้วท้ายสุดมันก็ไม่ใช่ท้ายสุดมันก็คือมีสิ่งไห น, นก็ทุกสิ่งนั้นนะมันเห็นอยู่แล้วจังหวะหนึ่งที่มันลงตัวของมันเหตุปัจจัยที่มันลงตัวอายุสามสิบห้าต้งได้บวชตอนนี้ก็ห้าสิบกว่ย มันก็ชื่นใจนะสดชื่นมันชื่นใจตรงไหนตรงที่ว่าจิตใจที่มันไม่ค่อยชื่นใจมันโหดหูะจิตใจที่มันงงมาเริ่มสับสนงงนะแล้วก็งงนะจีวิเราเหลืออยู่มันคืออะไรเนะี่ยมันมีแต่ทําไมมันทุกข์จังแล้วทาไมคนเรานี่แปลกมากเนะมาก อ, อกสารตะก้าปาไม่ถูกแล้วก็ไอ้คนลกไกลเป็นคนชัางนั้นแปลกมากเลย ความรักเป็นความลายความลายของความรักนี่แปลกมากเลยมันมีความรู้สึกทําไมมีลูกกับทุกข์ประลูกมีภรรยากับทุกข์ประภรรยามีพ่อมีแม่ทุกข์ประพ่อประแม่มีงานกับทุกข์ประงานมีบ้านกับทุกข์ประบ้านมีที่กับทุกข์ประที่มันเป็นอย่างนั้น่ะมีรถกับทุกข์ประรถมีตัวเองกับอย่างทุกข์ประตัวเองเองเวลามันป่วยขึ้นมาไม่มีใครหรอกที่ช่วยเราได้ป่วยกายแล้วก็ป่วยใจไปด้วยไม่มีใคร มันรอยบุญรอยพระเหลืองนี่สําคัญรอยพระเหลืองไม่รอยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอยู่ได้รอยอื่นๆมันเหมือนก็จะขดผู่มป็นกำลังใจนะเรามั่นใจว่าไม่พิดไม่พ่านยรอยพระเหลืองรอยของวุฒิฐานนี่มันเป็นรอยที่เป็นรอยบุญแล้วก็รอยของบุคคลผู้รู้ผู้มีอยุชนหลวงพ่อเขียนอย่างนี้การลยามไม่ตั้งหลายทั้งปวงน เราก็รู้แล้วเออสิ่งเหล่าเนี้ยมันเหมือนกับจะมีความหวังกันนไปเวลาสุขมันสุขกับสองคนแต่เวลามันทุกข์ขึ้นมันต้องการบุคคลที่สามทันทีสถานที่ที่มันไม่ใช่บ้านสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ทํางานที่ไหนก็ไม่รู้กันแต่ก็มีรอยเมื่อปี2526อยู่ที่วัดป่าสุขโตเนี่ยมากันช่วงนั้นมันเป็นร่องรอยที่ลืมไม่ลงหรอกแล้วก็ร่องรอยของความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นร่องรอยที่เราลืมไม่ลง พิ่มช่เราได้เวลาเราทุกข์นะมันไม่ได้คาตอบของชีวิตหารมารู้สึกตัวเนีถึงมันไม่ได้คำตรวแต่ว่าจิตมันอยู่ได้จิตมันปกติปัญหามีแต่มันไม่ทุกข์ปัญหามีมันปกติอยู่จิตนะเมื่อก่อนปัญหามีไม่รู้สึกตัวมันกระทุกไปกับปัญหาบางทีปัญหายังไม่เกิดเราก็ทุกข์ไปก่อนล่วงหน้านะมันคล้ายๆกับหวาดระแวงมันก็ คิดให้ทุกก่อนที่มันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาคิดให้มีปัญหาก่อนจะเกิดปัญหาขึ้นมามันก็ไม่ไว้วางใจใครทั้งนั้นนะไม่นั่งตัวเองคิดบางทีก็ทะเลาะกับตัวเองนะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นกันหรือเปล่าแต่ส่วนตัวเนี่ยโหเห็นเลยมันพึ่งได้ยิง่งความสุกตัวเนี่ยเพราะมันไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลเราแปเดีไปเอาชั่วไปเอาถูกไปเอาผิดเอาชนะเอาแพ้นะแต่พอมารู้สึกตัวปั๊บเนี่ยมันตัดหมดนะมันกลายเออ มันมีที่พึ่งแบบนี้ด้วยมันก็ชัดขึ้นมาคิดปับรู้ปุ๊บอย่างเงี้ยนะคิดปับรู้ปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งชัดขึ้นมามันก็ทำได้ทาได้ทุกคนถ้กตั้งความรู้สึกตัวเดินจงกรมนั่งสร้างจัวะจริงๆทำไมหลหรมันจะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้นนเห็นกายเคลื่อนไหวมันก็ต้องเห็นจิตใจที่มันนึกมันคิดยู่ตรงตามที่หลวงพ่อเทียน ท่านได้ประกาศนะว่าประกาศศาสนาชี้เชิญชวนให้พวกเราได้มาเคลื่อนมือเดินจยกมรู้สึกตัวเรื่องอื่นจะทําก็ได้แต่ถ้าไม่ทํามันก็ดีนะถ้ายังไม่รู้เรื่องความรู้สึกตัวนะพยายามทาความรู้สึกตัวให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆมันคล่องตัวมันว่องไวมันถี่จอนทั้งขันมันละเอียดนะสตินะที่มันเป็นขันเนี่ สติศีลสมาธิปัญญามันเป็นขันมันเงินก็คือมันเป็นการรองรับเมื่อก่อนมันมีแต่รูปขันมีสัญญาสังขารวิญญาณมีเวทนาเป็นขันแต่ตอนนี้มันมีสติเป็นที่รองรับเป็นขันสติศีลสมาธิปัญญามันมีอยู่ศีลขันสมาธิขันปัญญาขันแต่ทำยังไงเนื้อมันจะดีมันรองรับจนกระทั่ง เป็นการปรากฏขึ้นมาภายในของตัวเราที่เราออได้สัมผัสมันก็ต้องสัมผัสมือจนกระทั่งมันจานานนะฮะสัมผัสสัมผัสสัมผัสมันก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกมับปกติปกติปก ต, ปกติปกติมากๆมันก็ศีลนะฮะมันก็สมาธินะแหละมันก็ปัญญานะแหละก็อยู่ตรงนั้นเคยเปรียบเทียบ ม, มาสองสามวันก่อนว่าจิตปกตินําทําให้เกิดปัญญากำลังเป็นจิตจืด จิตใจที่จืดเๆเฉยๆเวลาเคลื่อนมือเคลื่อนเฉยๆนะมันไม่ได้สีแรงแก้งทําให้จจืดแต่ว่ามันจืดมาจากข้างในนะมันจืดเรื่องกายเรื่องกายเรื่องจิตคือเรื่องจิตสติมันก็รู้อยู่แตมันจืดตรงนั้นมันเกิดปัญญาตรงนั้นขึ้นไหมมันเห็นกายเห็นอาการของกายเกิดดับเกิดดับมันเห็นจิตเห็นอาการของจิตเกิดดับเกิดดับเี้ เป็นสติเห็นความรู้สึกตัวอย่างเงี้ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยถึงตัวนั้นมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราซะแล้วรวมนามกันห้ามไม่ใช่ตัวเราที่ไหนถ้ามันใช่มันจะเกิดดับทําไมเงี้ยมันของเราก็ต้องมาข้ามชาได้มันก็เห็นแล้วมันข้ามชาไม่ได้แล้วนั่งมันก็เมื่อยบอกมันอย่าเมื่อยมันก็ไม่ฟังบอกมันอย่าหิวน้ำก็ไม่ฟังอย่าง่วงน้นก็ไม่ฟัง พอเข้ากรรมฐ า, านนะมันก็มาปเดปบาลังเข้ามาเราก็เรียนแล้วเรียนอีกตอบโจทย์ตอบโจทย์ตอบโจท ย, จทย์เดินผ่านเดินผ่านความรู้สึกตัวจึงเป็นทางผ่านรู้สึกกลางๆจึงเป็นทางผ่านรู้สึกจืดๆ จ, ดจึงเป็นทางผ่านรู้เฉยๆจึงเป็นทางผ่านมันไม่ติดตายติดก่าเป็นความพอใจไม่พอใจนะทำไมมันจืดๆถึงเกิดปัญญา ทำไมถึงเกิดคุณธรรมต่างๆเกิดประสิทธิภาพขึ้นมาในชีวิตของเราก็อย่างคุณหมอรู้เรื่องยาก็เห็นแล้วว่าน้ำจืดๆเนะี่ยมันต้องดื่มไปคู่กับยาน่ะแหละเวลาดื่มยามต้องดื่มน้ำลงไปด้วยนะกลืนยาลงไปต้องใช้น้ำดื่มลงไปเต็มกันน้ำต้องจืดๆนะยามถึงจะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะยามถึงจะ มีลักษณะของออกฤทธินะ์การออกฤทธิ์สพคุณของยาทํางานน้ําจิตจื ด, จดยายอยักษ์เป็นรูปธรรมใช่ไหมครานี้จิตใจของเราปัญญามเป็นนามธรรมะยาเหมือนกันนะยอยักษ์ก็ยอหญิงนะ่อยอยักษ์นี่เป็นรูปธรรมแต่ยอหญิงยอสไรา ย, ยานะ่ยมันเป็นนามธรรม แ้วมันก็เป็นฌานเป็นญาณแต่ฌานนอกฌานเป็นบ้านทรงไทยมีนอกฌานอันนั้นมันเป็นชอฌานแต่เป็นฌานภายในที่พักภายในจิตของเราความสุขในระดับต่างๆเข้าฌานเข้าฌานเข้าฌานนี่อันนั้นเป็นนมนธรรมอชอะเชอรฌานชอเหมือนกันแต่ชอกะเชอร์ูว้วธรรมกับนามธรรมเป็นญาณก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องของญาญยนต์ ญานอาวกาศนี่อากาศยานนี่หรือว่าจักรยานยนต์อันนั้นมันยาณยอยักษอันนี้มันญาณขนส่งที่ภายในจิตใจของเราจากทุกมาปกติจากโกรธมาปกติจากโลภมาปกติจากหลงมาปกติมันกลายเป็นเรื่องของญานขนส่งขนส่งเอาอะไรมาใช้อายชั่วกัวบากยิลิโอตปาเอามาใช้เป็นเทวธรรม ขนส่งอะไรมาใช่ขนส่งเมตตารู้น้ำเมตาเบิกขานะีมันเป็นนามธรรมนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นการที่เรามารู้สึกตัวกนะันนะมันทำให้เราเกิดกนะธรรมหลายอย่างนะเป็นอาจารละด้วยนะความรู้สึกตัวไม่ใช่อุดกาละอาจารละอาจารยนะนะ์เมื่อกี้เราก็สวดมนต์กันอาจารละ มันไม่ใช่อุดจาระของสขปลกของเหมิ่นของเน่านะมันทําให้เกิดความเป็นลามะขึ้นมาไม่ใช่ลามกมันมีอยู่ความรู้สึกตัวเป็นอย่างนั้นทําอะไรไปเนะ่ยมันเรื่องของธรรมชาติมันไม่ใช่ เ, เรื่องของกิเลสตัณหาความหลงพาธรรมมันไม่ใช่มีคําตอบทุกคนอยู่ในความรู้สึกตัวของเราเนี่ยแค่ความรู้สึกตัวอย่างเดียว มันก็พาไปมากมายแล้วเกินเบื้องต้นสี่สิบวันเข้ากรรามฐานพยายามรู้สึกตัวให้ต่อนเนื่องทงไม่ต้องไปสนใจเรื่องการพูดคุยนะคนที่มาใหม่แล้วเตรียมเข้ากรรามฐานเนะี่ย <c oughs> พยายาไม่เลยนะพระที่นี่จะไม่มีการดูแลเลยกันงนั้นอันนี้นโยบายหลวงพ่ อ, อเขียนคของก็ย่ามีตีบอกเวลาเวลานี่เวลาทานเวลากินเวลาฉันไม่มีเวลาหลับเวลานอนนี่ใช้แบบ ศรัทธาเราเองเราจับประเด็นเราเองมีปัญญาเราเองเขียนด้วยเองทำมาเองนะทุกปีก็ไปอย่างนี้เห็นอยู่ไม่ได้กี่คนห น, ะนีหมดนะรุ่นนี้อยู่ให้ครบเทิงใครจะอยู่ก็อยู่ให้ครบสี่สิบวันทิงมันไม่ใช่เป็นเพียงโครงการเฉยๆแต่มันเป็นการทําแบบหวังผลแหละมีความหวงังแต่ไม่ได้หวังเป็นแบบตันหาแต่หวังเป็นแบบชั้นทะพอใจปรารถนาที่จะเข้าถึงพระนิพพานะทําไมปรารถนาไม่ได้ยังไง ธรรมกาโมประวังโหหิพูกใครในธรรมเป็นผู้เจริญทําไมใครในธรรมไม่ได้แล้วไงแต่ถ้าใครในกาเป็นผู้เสื่อมก็แค่นั้นเองมันก็ไม่ได้ผิดตรงไหนเพราะฉะนั้นกลางรู้สึกตัวหันกลับมาหันกลับมาเวญสติปัฏฐานเกาสัญชาตญาณนั่นแหละทิมเคยออกไปแล้วกลับมาก็เรียกสังรวมหรือว่าอินทรีย์สองวรการสังรวมเอินทรีย์สองวรตาไม่ดูได้ก็ไม่ดู โอ้ไม่ฟังได้แล้วก็ไม่ฟังจะูกไม่หาสุกสนลิ้นก็ไม่หากินประมาณในการบริโภคมัดตันยุตาเอามาใช้เลยเรยกว่าอยู่แบบเสือเลยมีก็กินไม่มีก็อดให้ก็เอาไม่ให้ก็อดเอาแบบนั้นเลยอยู่แบบบินทบาทไม่ขอไม่เอ่ยปากให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาจึงยกตัวอย่างอย่างอาจารย์สมใจเป็นพระบิใหม่ทาไมอยู่ดีกับเพื่อนอย่างี้นะ ก็ให้เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยแล้วก็วาสนาที่วาสนาบบกกรรุคคลทําดีไว้ในการก่อนเป็นอย่างนั้นไปนเลยเอาแบบอย่างที่พูดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครอยู่ลําบากก็น่าโมทนาจะได้ฝึกตนฝึกตนฝึกตนกันนะที่นอนกลางเต็นที่หัวหน้าโมทนาแต่ว่าพยายามอย่าอยู่ให้เหมือนลาวอพยพบนะเขมรอพยพบอย่าอยู่แบบนั้นอันนี้เตือนด้วยครั้งที่2ก็คือให้มีแบบ ง, ง่ายที่สุดนะแล้วถ้ามันลําบากจริงๆไม่ไหวจริงๆนะอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอย่างเงี้ยเราก็ไปที่นู่นกันอรุณกายศาสาร์จะ ก, กันเอาไว้เป็นที่พักของคนป่วยจริงๆให้ไปพักนอนกันแล้วก็เยียวยากันอยู่ที่อรุณกายศาสตาราแล้วก็ลักษณะอีกอันก็คือกระดาษทิชชู่หรือขย ะ, ะทุกปีเนี่ยขวดน้ำขวดน ม, ก, ดนมกระดาษทิชชู่กล่องนมต่างๆมันเยอะไอ้กล่องลูกอมเหมือนกันไอไอ้เปลือกลูกอมเนี่ย มันจะทิ้งกันไว้นะลองเขี่ยไปไห้โดยจะมีขยะพวกนี้จำนวนไม่เยอะไม่น้อยนะเหมือนกับพวกคนเล่นล่อนแพนเรจรแล้วก็คนที่เป็นนักไต่เขาไปเที่ยวกันตามแคมปนะ์เทือกเขาเอเวอเรสต์เทือกเขาฮิมาลัยเพราะนั้นะมีหิมะอยู่ที่พูดนะอย่างนี้ผมเลือดมาเคยไปนะแล้วก็ช่วงหลังนี้นําแข็งมันละลายปรากฏว่าพวกเผ่าเชื้อปา เดี๋ยวนี้เก็บขยะขายทั้งกล่องพลาสติกทั้งขวดน้ำพลาสติกนะกล่องโฟมมากมายเก็บกองปเนเปเลยนะนี่เราคือมลพิษมากๆเลยมีมนุษย์อยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะเราก็เลยพยายามต้องระมัดระวังกันแล้วก็อี้นะก็อี้อย่างก็อย่าขยับก็นะอี้มีไว้นั่งปฏิบัตินะอยากขายับไปปลูกเต้นปลูกอะไรกันไม่ใชนะ่สมมติแบบนั้นก็นะอี้นี่สมมติกันไว้เพื่อให้นะ นั่งถ้าอยากเอาผูกผูกเชือกเนะี่ยพยายามหาหลักไม้ไผนะ่เดี๋ยวเราจะเตรียมไว้ให้ก็ไดนะ้หลักไม้ไผ่แต่โปรตินเต็นต์รุ่นใหม่มจะมีเหล็กอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเก็บเหล็กกันไว้นะเอาทิ้งเอากว้างกันแล้วท้ายสุดก็ไม่มีใช้นะผูกกับต้นยางก็ได้นะหรือสังเกตให้ดีตรงหัวนะหัวแผ่นพื้นสำหรัคนที่ไปกลางเต็นต์อยู่นะมันจะมีเหล็กเหลือไว้ให้อยู่เอาเชือกผูกกับหัวเหล็ก พยายามออกแบบดีๆกางเต็นยังไงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดฝนไม่สาดหนึ่งแล้วก็น้ําไม่ไหลเข้าเต็นเพบาะที่เราไม่มีปัญญาไม่มีประสบการณ์แบบนี้ก็ต้องถามผู้รู้นะมีผู้รู้อยู่ในนี้หลายคนเป็นทั้งสถาปนิกเป็นวิศวกรอย่างอาจารย์ล่าเนี่ยเป็นวิศวกรมีความชานาญมากเรื่องพวกนี้ปรึกษาได้แล้วเป็นคนมีน้ําใจด้วยเพนะราะนั้นที่นําทําวัดจุดมันเรื่องเมตตานะ มันมีเมตตาสิน่าจะผ่องใสอย่างนั้นนะไม่เพอสติเวลาตายนะคนที่มีเมตตามันจะเป็นงั้นแล้วก็จิตไม่ตกไปในอบายเพราะว่าเมตตาใจเป็นบุญอยู่แหลนะมันก็จะคิดดีเหมือนหลวงพ่อเขียนท่านเวลาใกล้ตายท่านเล่าให้ฟังว่าท่านย้อนกลับมามองตัวเองแนะง่มุมของจิตใจของท่านเนะี่ยโอ้ยไ ม, ม่มีเรื่องอะไรเลยที่มันจะเป็นบันทินเครื่องเศร้าหมองมันมีแต่ทําดีมาทั้งหมดเลยท่านบอกโอ้ยพร้อมจริงจริ หายใจไม่ได้คนเราไม่หายใจมันขาดสเลดไม่ได้คนเราไม่ขาดสเลดมันยอมให้กายมันดูแลตัวมันเองส่วนใจท่านบอกไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรกับอะไรแต่ก่อนจะเกิดอย่างนั้นสภาวะจิตนะท่านทําเกิดบตายเหมือนกันแหละถ้านั่งยกมือสิบสี่จังหวาจนหลังพิงกระดานเสาไม้หน้าสามนี่มันแผลบเลยพื้นกระดานที่นั่งมันแผลบเลยไขมันเหงืออ่อไหลเป็นคนอ้วนมาก่อน ท่านชื่อหลวงพ่ออว้วนหลวงพ่ออวนะ้วนอะชื่อเล่นของท่านนะอว้วนก็นั่งยกมือนะเหงื่อมันก็ไหลอากายก็ร้อนก็ไม่ทอ้อไม่ถอยยี่สิบเอ็ดวันก็ใจเรื่องสภาวะรูปนามขึ้นมาแล้วก็สองปีเศษเศษท่านพูดถึงว่าท่านแก้วแตกกนะ็คือขัน5่าที่มันมีอยู่นะที่เราชอบยึดกันเนะี่ยมันต่อกันไม่ติดนะแล้วท่านไม่ได้จํามาพูดนะอย่างเราทำเนีย่ยเราพูดกันอยู่นะไม่ได้จํามาพูดกันนะแต่เป็นว่าเออให้ง่คิดมองนะ ใ ค, Day Day Day ใครที่ไม่มีประสบการณ์ก็ได้โอมันมีอย่างนี้เดี๋ยนีใครที่มีประสบการณ์การบัตก็จะเห็นว่าเออมันก็สิ่งเดียวกันนั่นแหละสัจจะคือความจริงมันจะไปโกหกไปหลอกกันได้ยังไงความรู้สึกตัวคือความรู้สึกตัวมันจะหลอกกันได้ยังไงนั่งเมื่อยก็เมื่อยรู้สึกตัวขณะเมื่อยอย่างนี้ถ้าทําเป็นก็ผ่านถ้าทําไม่เป็นมันก็ติดแงกอยู่นั่นแหละมันก็เป็นสัจจะทำความจริงที่เราปฏิบัติก็ต้องเจอความง่วงอย่างนี้ปฏิเสธได้ไงความเบื่อย วันนี้มีนักปราชญ์มันก็ถามเบื่อน้ตบุ๊กที่ไรเบื่อทุกทีเลยเอย่างเงี้ยโอ้ก็ความเบื่อมันคือธรรมะ เ, เราดูกายและความเบื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกที่ตัวต่อไปเดี๋ยวความเบื่อมามันก็ไปขึ้นมาเองมันคือธรรมะข้อหนึ่งหมวดหนึ่งโม่หนึ่ ง, งที่มันบอกทิศบอกทางให้เราผ่านแต่เราไม่ไม่ชอบความเบื่อเลยมันเป็นปัญหาของเรา ตัวเบื่อไม่ใช่ตัวปัญหาได้ว่าเราไม่ชอบความเบื่อแนละ้วฮะไอ้ตัวนี้คือตัวปัญหาไม่อยากเบื่ออยากจะเบาอยากจะสบายอยานี่ตัวนั้นแหละคือตัวปัญหาเห็นมันไหมเนะ่ยะฉันตัวเบื่อไม่ใช่ปัญหาเวลาปวดเมื่อยก็ไม่ใช่ปัญหาเวลาง่วงไม่ใช่ปัญหาคิดพุ่งสั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหามันจะเป็นปัญญาทันทีแค่รู้สึกตัวไปกับมันเห็นอาการ์ที่มันเกิดขึ้นมาตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องมันชีวิตเราจริงไม่มีปัญหาที่เราคิดว่ามีปัญหาว่าเรา ไม่อยากให้เป็นอย่างที่เราเห็นไม่อยากให้เป็นอย่างที่เราได้ยินเราอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้ก็ทำด้วยความอยากตลอดนะแต่ว่าถ้าอยากในธรรมนีเป็นผู้จเจริญนะทำมา ก, กามโมปวังโหหีอย่างี้นะอันนี้จเจริญแน่นอนอันนี้สองการเมตตาทาให้อานุารณุกรรคเทวดาก็ชมพรหมกสละเถรนเต็ตมกัน ก, ก็คืออานุรณนะุรัก มืนก็เลี้ยงผีแล้วก็เราให้ผีมันกินตลอดเวลาไม่หมดทักทีอย่างงี้อย่างงี้ผีก็รักแต่ถ้าหยุดให้เมไรผีมันกินทันทีเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงผีก็ต้องเลี้ยงให้เป็นก็ต้องให้แล้วไม่จบไม่สิ้นให้ไปมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ขอเมื่อไหร่ให้ทันทีบางทีก็หลอกเอาไปเราก็ให้มันอยู่เดียเพราะมันผีมันคือผีเราก็รู้อย่างนั้นก็ต้องให้กันไปผีก็รักเหมือนกัน ที่สัญ ก, ก็คือไฟสัตญาสัตว์ปราวุธนยาพิษไม่กล้ามกลา ย, ยนีมันก็จริงพวกคนมีเมตานะไม่ก็ไปไหนก็มีแต่ความรักนคนพยายามตนุตนอมแล้วก็ยกย่องเชิดชูมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็เชื่อนในอานิสงส์ของเมตตาแล้วก็ในอานิสงส์ของเมตตาที่ยกขึ้นมาไม่ติดทําดีไม่ติดดีทําบุญไม่ติดบุนะ มีเมตตาไม่ติดความสุขที่เกิดจากเมตตามันเป็นเรื่องของฌานทั้งหมดแต่ละขั้นแต่ละตอ น, นเพราะฉะนั้นเราก็เห็นมันอีกอีกต่อก็นะนะอเรียกว่าพร ะ, ะพระก็คือเห็นทุกปพกทุกภูมิเห็นโลกตามความเป็นจริงโลกโลกิยะมีะโลกของโล ก, กุตระก็มีเพราะนั้นเราก็เห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องโลกคือโลกคือนะ หมูสัตว์อัญชลากต้นไปอยู่ก็คือสังขารละขันของเราเมื่อเราไปบากเราก็จะเห็นว่ามันมีโลกใบนี้เดี๋ยเราอาศัยมันอยู่นะกายเนี่ยอาศัยมันอยู่มันท่านถ้าบอกว่าเป็นโกเนี่ยพิษถนัดพยาธินะมันว่าของมันแบคทีเรียไวรัสมันก็ว่าของมันแล้วเราบอกว่าของเราเนี่ยโอ้มันก็ไม่คุ้มแล้วละแล้วไม่ใช่คําตอบของนักปฏิบัติธรรมที่รู้ถูกด้วยมันเป็นคําตอบของนักปฏิบัติธรรมนะ ที่เห็นกายไม่ใช่โก้เห็นกายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเห็นเวตนาสักว่าเวตนาไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเห็นจิตสักว่าจิตไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเห็นธรรมสักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานะมันก็คือรูปนามกันหน้านะแล้วเกิดที่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นคําตอบจริงๆตรงแน่นนะสี่สิบวันก็เชื่อว่า ต้องมีใครสักคนนะที่ตั้งใจเรนะื่องบแล้วก็ใจสภาวธรรมก็เลยบอกถึงว่าพยายามสํารัสมรรยาอินทรีย์ ด, ดีตั้งแต่บัตรนี้มันต้นไปเลยนะสุขดิบได้แล้วพอนะถึงวันจีนก็วันจีนก็เต็มที่ไปเลยเช้ายันมืดเช้ายันมืดเช้ายันมืดก็ดูกําหนดการแล้วฟังกําหนดการอีกทีควจะมีการประชุมกันอะไรกันสักอย่า ง, งวัน2วันนะี้ว่าต้องมาเจอกันวันไหนแล้วก็ <c oughs> ทําวัดสวดมนต์ร่วมกันวันไหน ปกติที่ผ่านมาก็คือวันพระทุกวันพระมารับอารมณ์ปฏิบัติส่วนถ้าใครติดอารมณ์ไปหาใครทีนี้ก็ให้เรียกร้องหลวงพ่อเขียนก็แล้วกันให้ท่านมาดูหรือว่าท่านมอบหมายให้กับใครพระรูปไหนที่ท่านมอบหมายก็ต้องทํางานแล้วก็อีกงานก็คือพยายามเหมือนกับว่าให้เวลาที่มันเหลืออยู่ ทุกๆขนาเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้สกตัวใส่ใจลงไปเลยไม่ต้องคิดว่าจะถูกหลอกหรือว่าทําแล้วจะหลงทิศหลงทางแล้วติดรูปแบบอย่าไปคิดงั้นเลยปัญญามันเกิดไม่เอาอะไรสักอย่างหรอกรูปแบบก็ไม่เอาอะไรมันก็ไม่เอาแต่ว่าต้นต้องทําในรูปแบบก่อนมานะท้ายสุดเนี่ยในรูปแบบไม่ต้องทําเพราะฉะนั้นการเก็บอารมณ์กรรมฐาน40วันเนี่ยที่ไหนก็ตามเดิมทีไม่ใช่ที่สุขตอเพิ่งมาที่สุขตอสาสปีที่ผ่านมานะ่เดิมทีก็นนู้นะ ทางจังหวัดเลยบ้างลัฐที่อื่นๆบ้างแต่ตอนหลังทุกคนแยงเกบ็บอารมณ์สี่สิบวันแยงกันไม่เอาเข้าสายงานเพราะามันเป็นภาระมากหลวงพ่อมเขียนท่านก็อาสาเลยมาที่นี่แล้วไม่กําหนดวันนะไม่ต้องให้สายงานกําหนดวันกําหนดวันเองเลยว่ายาวันไหนท่านก็เลือกเลยยาวันไหนแล้วเราก็ได้มารวมตัวการปฏิบัติก็มีคนเก่าๆมาบ้างแล้วลองดูว่าปีนี้จะมีคนเก่าๆมาอหรือเปล่า ถ้าเป็นคนใหม่ๆหมายถึงไม่เคยมาไม่แต่ครั้งเดียวเนี่ยก็ใช้วัดป่าสุโตสถานที่นะัถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงกันแล้วกันส่วนมันจะได้อะไรไม่ได้อะไรไม่เป็นไรทําเต็มที่มันทํางานเต็มที่รวยช่างมันงานอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเราทํางานเราไม่ได้นึกถึงว่าเงินคืออะไรแต่เราตึกถึงว่าทํางานยังไงมันถูกต้องกับมาฐานนีงง้ว่างานทำยังไงมันถูกต้องหลัเตียนเทคนิคปฏิบัตินะมีอยู่ ท่านพูดเอาไว้เป็นลักษณะของในสื่อในเทปก็มีหรือว่าบางทีนะคนก็นมาทำเป็นป้ายเล็กๆติดตามนี้ก็มีการวางกายๆาวางใจกลางๆอะไรนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆได้ยินได้ฟังต่อไปแล้วก็มาเป็นส่วนประกอบน้อมเข้ามาแล้วก็ลงมือกระทำกันต่อไป เ, เอาไว้ทันทายสุดนี้ก็ขอให้ความปฏิบัติดีของเราทั้งหลายนั้นนะการประพฤติพรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นก็จบเป็นไปเพื่อ การทำที่สุดแห่งกองทุกนะเก้าถึงความสุขเกษมสารก็คื อ, อนิพพานโดยทั่วนักกันทุกท่านทุกคนอันเธอ